พระไตรปิฎกฉบับประชาชนเล่มที่เก้าสุดตันตาปิฎกอัมพัททสูตรสูตรว่าด้วยการโต้อตอบกับอัมพัทธมานพพระผู้มีพระภาคสเสด็จจาริกไปในแคว้นโกศลพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่สเสด็จแวะพักณ ห, หมู่บ้านพราหม์ชื่ออิจฉานังคละใกล้เมืองอุ ก, กัตาซึ่งปกระสาติพราหม์ ได้รับมอบหมายจากพระเจ้าประเสนทิให้เป็นผู้ครอบครองโปคราสาติพรามได้ยินกิตติศัพท์สรรเสริญพระพุทธเจ้าจึงใช้อัมพัทธมานพผู้เป็นสิทธให้ไปเฝ้าเพื่อสังเกตดูว่าจะมีมหาบุริษลักษณะครบตามคำพีมนของตนหรือไม่อัมพัทธมานพไปแสดงอาการอวดดีคือพระผู้มีพระภาคประทับนั่ง แต่ตนเดินบ้างยืนบ้างสนทนาบ้างเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสเตือนจึงประกาศตนว่าเป็นพรามควรแสดงอาการอย่างนี้ต่อคนชั้นไพรศรีสะโล้นซึ่งเกิดจากเท้าของพระพรมสมำรับข้อนี้เป็นความนิยมของพวกพรามว่าถ้าโกนศีสะจะถูกเหยยดยามเป็นคนชั้นต่ำ อัมพัทธานบเพิ่มความโกรธเคืองยิ่งขึ้นเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสว่าอำมพัทธมานบยังไม่จบพรหมจรรย์ของพราหมณ์แต่สําคัญตนว่าจบแล้วจึงด่าสกุลสักยะว่าเป็นสกุลธาตุสกุลไพรไม่เคารพพราหมณ์เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัรรรตสถามว่าสักยะสกุลเคยทําผิดอะไรไว้จึงเล่า ว, ว่า ครั้งหนึ่งตนเดินทางไปกรุงกบิลพัฒด้วยธุระบางอย่างของโปคระสาติพราหม์ได้เข้าไปสู่อาคารโถงของเจ้าสักยะเจ้าสักยะและสักยะกุมารมากหลายนั่งบนอาสนะสูงในอาคารโถงต่างซิกซีจี้กันด้วยนิ้วมือเฉาลอยเจ้าหัวเาะตนก็เป็นได้ไม่มีใครสักคนหนึ่งกล่าวเชิญตนด้วยอาสนะ การไม่เคารพนับถือไม่อ่อนน้อมพราหมณ์ของเจ้าสักยะไพร่อย่างนั้นเป็นการไม่สมควรนี่เป็นการประนามสักยะสกุลว่าเป็นไพร่ครั้งที่สองพระผู้มีพระภาคตรัสว่าแม้นกไส้เมื่ออยู่ในรังของตนก็ยังส่งเสียงร้องตามชอบใจเจ้าสักยะเหล่านั้นถือว่ากรุงกบินละพัดเป็นของตน จึงยังไม่น่าจะถือโทษด้วยเหตุเพียงเล็กน้อยเท่านี้อําพัธมานบอ้างเหตุผลต่อไปว่าในวันนัททั้งสี่นั้นวันนะททั้งสามคือกษัตริย์แพทย์หรือพ่อค้าและสูตรหรือคนงานย่อมตกอยู่ในฐานะเป็นผู้บำเรอพวกกรามการที่เจ้าศักยะไพร่ๆไม่เคารพนับถือไม่อ่อนน้อมพราหมณ์จึงเป็นการไม่สมควร นี้เป็นการประนามสักยะสะกุลว่าเป็นไพร่ครั้งที่สามพระผู้มีพระภาคเห็นอัมพัทมานกกล่าวลุกรานสักยะสะกุลอย่างหนักเช่นนั้นจึงตรัสถามว่าท่านสกุลอะไรเมื่ออัมพัทธมานพ ก, กราบทูนว่ากันหายนะโคดพระองค์จึงตรัสเตือนให้ระลึกประวัติศาสตร์ว่าต้นสกุลของสักยะคือพระเจ้าโอกาคาราศ ซึ่งเป็นกษัตริย์แต่ต้นสกุลของกันหายนะคือนางทาสีของพระเจ้าอกกากราชผู้มีนามว่าทิสาก็เมื่อต้นสกุลสักยะเป็นลูกกษัตริย์ต้นสกุลกันหายนะเป็นลูกนางทาสีเช่นนั้นก็จงระลึกถึงสกุลดั้งเดิมดูเถิดมานบทั้งหลายที่ตามมาด้วยก็พูดอื้อห้ามพระผู้มีพระภาคว่า ขอพระโคดมอย่าได้กล่าวหาว่าอัมพัทธมานพเป็นลูกทาสีหรือเป็นลูกทาสเลยเพราะอัมพัทมานพมีชาติอันดีสดับตรับปังมากมีถ้อยคาอันดีงามและเป็นบัณฑิตพระผู้มีพระภาคจึงตรัสถามอัมพัทธมานพว่าที่พระองค์ตรัสอย่างนี้เป็นความจริงหรือไม่อัมพัทธมานพนิ่งอึง พระผู้มีพระภาคตรัสย้ำ ถ, ถามถึงครั้งที่สามจึงยอมตอบรับว่าเป็นความจริงมานพที่มาด้วยจึงอืออึงประนามว่าอัมพัทธมานพเป็นลูกทาสีมีชาติไม่ดีพระสมณะโคดมพูดเป็นธรรมเราหลงลุกรานว่าพูดไม่ถูกพระผู้มีพระภาคทรงเห็นมานพเหล่านั้นกลับไปลุกรานอัมพัทธมานพเช่นนั้น ก็ตรัสห้ามและส่งเล่าถึงความยิ่งใหญ่ของกันหะคือบุตรทาสีผู้เดินทางไปเรียนพรมมนณชนบทภาคใต้แล้วกลับมาขอพระราชธิดาของพระเจ้าอกากากราชนามว่ามรนทรูปีครั้งแรกพระเจ้าอกากากราชไม่พระราชทานในที่สุดก็พระราชทานเพราะเกรงฤทิ์ของกันหะ สำหรับข้อนี้เป็นการตรัสช่วยแก้หน้าให้แก่อัมพัทธมานพต่อจากนั้นตรัสถามถึงประเพณีนิยมเพื่อให้อัมพัทมานพตอบเป็นข้อๆเกี่ยวกับกษัตริย์กับพราหมณ์ใครจะสูงกว่ากันเพื่อให้คลายความถือดีคือ 1. บุตรที่เกิดจากบิดาเป็นกษัตริย์มารดาเป็นพราหมณ์จะได้อาสนาะ คือที่นั่งและน้ำในพวกพรามหรือไม่ตอบว่าได้พวกพรามจะยอมให้บริโภคอาหารในพิธีศาสตร์คืออาหารอุทิศให้ผู้ตายในพิธีฐาลิปากะอาหารเนื่องในงานมงคลในยันยะพิธีอาหารในการบูชายันและในปาหุนะอาหารต้อนรับแขกหรือไม่ตอบว่ายอมให้บริโภค พวกรามจะสอนมนให้หรือไม่ตอบว่าสอนจะห้ามผู้นั้นแต่งงานกับสตรีพรามหรือไม่ตอบว่าไม่ห้ามจะให้รับอภิเสกเป็นกษัตริย์หรือไม่ตอบว่าไม่ถามว่าเพราะเหตุไรตอบว่าเพราะยังไม่บริสุทธิ์ฝ่ายมารดาสอง วุฒที่เกิดจากบิดาเป็นพราหมณ์มารดาเป็นกษัตริย์จะได้ที่นั่งได้น้ำเป็นต้นหรือไม่ตอบว่าได้จะห้ามผู้นั้นแต่งงานกับสตรีพราหมณ์หรือไม่ตอบว่าไม่ห้ามจะได้อภิเสกเป็นกษัตริย์หรือไม่ตอบว่าไม่ถามว่าเพราะเหตุไรตอบว่าเพราะยังไม่บริสุทธิ์ปลายบิดา ตรัสสรุปเพียงชั้นนี้ก่อนว่านี่แหละเมื่อเปรียบหญิงกับหญิงเปรียบชายกับชายกันแล้วกษัตริย์ก็ประเสริฐกว่าและพราหมณ์เลวกว่าในเรื่องนี้เพราะอัมพตธรรมนพยอมรับรองตามประเพณีนิยมว่ากษัตริย์มาเกี่ยวข้องกับพราหมณ์ทำให้กษัตริย์ไม่บริสุทธิ์ขั้นแล้วตรัสถามต่อไปอีกว่า สพรามที่ถูกลงโทษโกนศีษะถูกเอาที่เท่ารอยศีษะถูกในระเทศจากรัฐะหรือจากนครจะได้ที่นั่งและน้ำในพวกพรามหรือไม่ตอบว่าไม่ได้จะร่วมบริโภคอาหารในพิธีกรรมต่างๆหรือไม่ตอบว่าไม่ได้พรามจะสอนมนให้หรือไม่ตอบว่าไม่จะถูกห้ามแต่งงานกับสตรีพรามหรือไม่ตอบว่าถูกห้าม สกษัตริย์ที่ถูกลงโทษโกนธศีรษะถูกเอาขี้เท่าโรยบนศีรษะถูกในประเทศจากรัฐหรือจากนครจะได้ที่นั่งและน้ำในพวกพรามหรือไม่ตอบว่าได้จะได้ร่วมบริโภคอาหารในพิธีกรรมต่างๆหรือไม่ตอบว่าได้พรามจะสอนให้หรือไม่ตอบว่าสอนจะถูกห้ามแต่งงานกับสตรีพรามหรือไม่ ตอบว่าไม่ห้ามจึงตรัสสรุปให้เห็นว่ากษัตริย์ประเสริฐกว่าพรามณ์แล้วตรัสรับรองภาษิตของพรมชื่อสนังกุมารที่ว่าในหมู่ชนที่ถือโคดกษัตริย์ประเสริฐสุดแต่ผู้ใดสมบูรณ์ด้วยวิชาและจารณะคือความรู้และความประพฤติผู้นั้นประเสริฐสุดในเทวดาและมนุษย์ สุภาษิตนี้ถือว่าความรู้ความประพฤติสำคัญกว่าชาติสกุลเมื่ออัมพัทธรรมนพกราบทูลถามว่าความประพฤติและความรู้นั้นเป็นอย่างไรจึงตรัสตอบเป็นใจความว่าใครก็ตามยังถือชาติถือโคดถือตัวถืออวาหะวิวาหะคนเหล่านั้นย่อมอยู่ห่างไกลจากความรู้และความประพฤติอันยอดเยี่ยม ต่อเมื่อละความถือชาติถือโคตถือตัวถืออวาห์วิวาหะได้จึงจะทำให้แจ้งได้ซึ่งความรู้และความประพฤติอันยอดเยี่ยมครั้นแล้วตรัสอธิบายถึงการที่กุลระบุตออกบวชตั้งอยู่ในศิลธรรมบําเพ็ญฌานสี่และวิชา8ปดังที่กล่าวแล้วในสามัญญผ ล, ลสูตรว่า ชื่อว่าสมบูรณ์ด้วยความรู้และความประพฤติอย่างยอดเยี่ยมไม่มีความรู้ความประพฤติอื่นยิ่งกว่าครั้นแล้วได้ส่งแสดงปากทางแห่งความเสื่อมสี่ประการของความสมบูรณ์ด้วยความรู้และความประพฤตินั้นคือสมณพราหมณ์ผู้ไม่ได้บรรลุความรู้และความประพฤตินั้น 1. หากบริขารของนักบวชออกป่ากินผลไม้ที่ตก 2. ทำอย่างข้อหนึ่งไม่ได้จึงถือจอบและตะกร้าออกป่ากินเผือกมันผลไม้ 3. ทำอย่างข้อหนึ่งและสองไม่ได้จึงสร้างโรงบูชาไฟขึ้นที่ท้ายคามหรือนิคมบำเรอไฟอยู่คือคอยหาเชื้อเพลิงใส่ไฟไม่ให้ดับเป็นการบำเรอไฟหรืออัคคีเทพส ทำอย่างข้อหนึ่งสองและสามไม่ได้ก็ปลูกบ้านมีประตูสีด้านในถนนสีแยกเพื่อคอยบูชาสมณพราหมณ์ซึ่งเดินทางมาแต่สีทิศ ต, ตามกำลังความสามารถข้อนี้อัตฉกิาอธิบายว่าเอาดีทางคุณธรรมชั้นสูงไม่ได้ก็เอาดีทางบวชเป็นดาบท ครั้นแล้วตรัสถามอัมพัทมานบว่าตัวอัมพัทมานบพร้อมทั้งอาจารย์สมบูรณ์ด้วยความรู้และความประพฤติดังกล่าวแล้วหรือเปล่าเมื่อตอบว่าเปล่าแล้วว่ายังห่างไกลจากคุณสมบัติเช่นนั้นจึงตรัสถามต่อไปว่าเพียงกระทำแบบดาบทสี่ประเภทนั้นทำได้หรือเปล่าตอบว่าทําไม่ได้จึงตรัสสรุปให้ฟังว่า ตัวอัมพัธรมานพพร้อมทั้งอาจารย์เสื่อมจากความสมบูรณ์ด้วยความรู้ความประพฤติหรือวิชาจรณะอันยอดเยี่ยมและเสื่อมจากปากทางแห่งความเสื่อมสี่อย่างของความรู้และความประพฤตินั้นข้อนี้เป็นการเตือนให้เห็นว่าที่ถนงตนมาแต่เดิมนั้นที่แท้ก็ไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเลยแม้ขนาดคุณสมบัติชั้นเร็เว ของผู้ไม่สามารถมีความรู้ความประพฤติอันยอดเยี่ยมนั้นคือเพียงแค่ทำอย่างดาบทก็ทำไม่ได้ครั้นแล้วทรงแสดงถึงความผิดพลาดของโปคระสาติปรามผู้เป็นอาจารย์ของอัมพัทมานบสองประการคือหนึ่งพูดว่าสมณะศีสะล้นเป็นไครเป็นพวกดำเป็นผู้เกิดจากเท้าพรม จะเจรจากับพราหมณ์ผู้รู้วิชาสามคือรู้ไตรเพศได้อย่างไรแต่ตัวเองก็เสื่อมหรือไม่มีวิชานั้นบริบูรณ์อะไรเลยสองบริโภคของพระราชทานจากพระเจ้าประเสริฐที่โกศลแต่พระเจ้าประเสริฐที่โกศลก็ไม่โปรดให้ปกระสาติพราหมนั้นอยู่ในที่เฉพาะพระพักเมื่อจะทรงปรึกษาอะไรด้วย ก็ทรงปรึกษาโดยมีม่านกัน้นโปคะสาติพรามร์รบภิกษาที่เป็นของพระราชทานโดยธรรมแต่ทำไมเล่าพระเจ้าเะเสนที่โกศลจึงไม่อนุ ญ, ญาตให้พรามนั้นอยู่ในที่เฉพาะพระพักข้อนี้แสดงว่าความจริงพระเจ้าปเปเสนทธโกศลก็ทรงปฏิบัติต่อพรามไม่ใช่ในฐานะสูงสักกว่าพระองค์อย่างไรเลยแม้เช่นนั้นพรามนั้น ก็ยังยกย่องตัวเองว่าสูงกว่ากษัตริย์แล้วตรัสถามอัมพัธมานพว่าเพียงที่ควรวันะสูตรหรือทาตของสูตรยืนในที่ซึ่งพระเจ้าประเสริฐที่ประทับบนคอช้างหรือประทับยืนบนเครื่องลาดเพื่อเสด็จขึ้นสู่รถหรือในที่ซึ่งทรงปรึกษาเรื่องอะไรอะไรกับมหาอมาตย์ผู้ใหญ่หรือกับเจ้านาย แล้วคนวันณสูตรหรือธาตุของสูตรเหล่านั้นกล่าวถ้อยคําว่าพระเจ้าประเสริฐที่โกศลมีพระราชดำรัสอย่างนี้อย่างนี้หมายถึงพูดเรียนพระราชดำรัสจะทาให้สูตรหรือธาตุของสูตรกลายเป็นพระราชาหรือราชมหาอมาตย์ไปได้หรือไม่เมื่ออัมพัทมานกตอบว่าเป็นไม่ได้จึงตรัสเปรียบเทียบให้ฟังว่า พวกพราหมณ์สมัยนี้พากันสวดหรือกล่าวตามบทแห่งมนต์เก่าแก่ซึ่งพวกฤาษีรุ่นก่อนๆได้เคยสวดมาแล้วเช่นฤาษีอัถกะวามกะวามเทพเวสามิตรหรือวิศวามิตร ย, ยมตัคีอะคีครสะพารัตวาชะวาเสทะกัสปะพระคุตูอัมพัทมานบพร้อมด้วยอาจารย์ ก็เรียนมนเหล่านั้นเพียงเท่านั้นจะทำให้อำพัดธมานบเป็นฤาษีหรือผู้ปฏิบัติเพื่อเป็นฤาษีได้หรือไม่อำพัดมาน บ, บตอบว่าเป็นไม่ได้แล้วตรัสถามว่าพวกฤาษีรุ่นก่อนๆเพียบพร้อมไปด้วยกรรมคุณห้าบริโภคอาหารดีๆ มีสตรีผู้ประดับด้วยผ้าและสายรัดเอวคอยบำเรอขี่รถเทียมด้วยมา้าใช้ประตักยาวๆแทงสัตว์พาหนะเที่ยวไปในที่ต่างๆมีบุรุษผูกสอดดาบยาวคอยอารักขาในนครซึ่งมีเครื่องอุปกรณ์พร้อมสับมีคูอันขุดไว้มีสีเหล็กอันยกขึ้นไว้ที่ประตูเหมือนอย่างตัวแทนพร้อมด้วยอาจารย์ในสมัยนี้หรือไม่ อัมพัทมานบตอบว่าฤาษีรุ่นก่อนๆไม่ทำอย่างนี้จึงตรัสสรุปให้เห็นว่าอัมพัทธมานบ พ, พร้อมทั้งอาจารย์ไม่ได้เป็นฤาษีหรือผู้ปฏิบัติเพื่อเป็นฤาษีอัมพัทธมานบได้สังเกตรพระพุทธลนะักษณะแต่ยังมีอยู่บางข้อที่เห็นไม่ได้เช่นพระกุยหาฐานตั้งอยู่ในฝักและพระชิวหา ใหญ่ยาวพอจะปิดพระภาคและช่องพระนาศิษประโสดได้พระผู้มีพระภาคจึงทรงแสดงอิทธาพิสังขารคือแสดงฤทธและทรงประทรรมให้เห็นได้อัมพัฒมนกกลับไปเล่าให้โปกราสาติพราหมฟังทุกประการโปกราสาติพราหมกโกรธที่อัมพัฒมนกไปรุกรานพระผู้มีพระภาคจึงใช้เท้าเตะ และใครจะไปเฝ้าแต่พวกพราหมณ์ขานว่าค่ําแล้วควรไปในวันรุ่งขึ้นแต่โปคระสาติพราหมณ์คงไปจนได้โดยให้จุดคบเพลิงเมื่อไปเฝ้ากราบทูลถามเรื่องที่โต้ตอบกับอัมพั ธ, ธมานพแล้วจึงกราบทูลขอโทษแทนอัมพัท ธ, ธมานพซึ่งพระผูุมิพระภาคก็มีพระพุทธดํารัสว่าอัมพั ธ, ธมานพจงเป็นสุขเถิด ปกครอสาติรามพิจารณาพระพุทธลักษณะและได้เห็นครบส2สองต้องตามลักษณะมนของตนแต่สองข้อเห็นไม่ได้พระผู้มีพระภาคต้องทรงแสดงฤทธิ์และทําให้เห็นแล้วจึงอาราธนาพระผู้มีพระภาคพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์ไปฉันในวันรุ่งขึ้นและเช้าวันรุ่งขึ้นเมื่อถวายพัตฐารเสร็จแล้ว ได้สดับพระธรรมเทศนาเรื่องอนุปุภิกถาและอริยสัจสีได้ดวงตาเห็นธรรมจึงประกาศตนพร้อมทั้งบุตรภริยาบริสัทธ์และอมสาธเป็นอุบาสกถึงพระรัตนไตรัยเป็นสาระตลอดชีวิตสำหรับเรื่องอนุปุภิกถาคือการสอนเรื่องทานศีล ส, สวรรค์และอนิสงค์ในการออกบวช